รูปิยะสิกขาบท41ถามทรงบัญญัตินิสัคิยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับรูปิยะณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครืถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพท่านพระอุปนันทะสากยบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทะสากยะบุตรรับรูปียะในรูปิยะสิกขาบุตนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทรฐานเกิดด้วยสมุทรฐาน6สมุทฐาน